ยลยนท่านสาธุชนพุทธบริสุท์อุบาสกอุบาสิก า, าผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันสุขที่2มิถุนายนพุทธศักราช2560เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรม เป็นวันมงคลอย่างยิ่งอีกหนึ่งวันหนึ่งเพราะมีการฟังเทศฟังธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้ท่งตัดไว้ว่ากาเลนะธรรมมักสวนณังเอตัมมังกลาอุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง พอเวลาฟังเทศฟังธรรมจะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. องธรรมที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอมาฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้น 3. จะกําจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปได้4 จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญ า, าจะทาให้จิตผ่องใสสมดูรนี่คืออานิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมการจะฟังเทศฟังธรรมให้เป็นมงคลให้ได้รับผลต้องฟังด้วยกายวาจาใจ ที่สงบซึ่งเป็นการฟังด้วยความเคารพในธรรมถ้ากายวาจาใจไม่สงบเรียกว่าไม่มีความเคารพในธรรมเมื่อไม่มีความเคารพก็จะไม่เกิดอนิสงส์ที่พึงจะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมทั้งห้าประการนี้ดังนั้นเวลาเราฟังธรรม เราควรที่จะสงบกายสงบวาจาและสงบใจสงบกายก็คือไม่ทำอะไรให้นั่งเฉยเฉยสงบวาจาก็ไม่พูดไม่คุยกันการสงบกายสงบวาจานี่เรียกว่าศีลและการสงบใจก็ไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆ เรียกว่าสมาธิถ้าเรามีศีลมีสมาธิเวลาฟังธรรมเราก็จะได้รับผลจากการฟังธรรมถ้าเราไม่มีศีลไม่มีสมาธิเช่นเราทํานู่นทนํานี่คุยกัน<ม>คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กันฟังธรรมก็จะฟังไม่เข้าใจพก็จะเข้าแต่ เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเพราะผู้ที่ฟังไม่ได้ตั้งใจฟังมัวแต่ไปทำอะไรมัวแต่ไปพูดไปคุยกันมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้กันทาที่สแสดงก็เลยไม่ได้เข้าไปในใจเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเพราะ ใจไม่ได้ตั้งใจใจไปทำอะไรไปพูดอะไรไปคิดอะไรอา น, นิสงส์คือความมงคลที่จะเกิดการจากการฟังธรรมจึงไม่เกิดฟังไปก็เสียเสียเวลาไปเปล่าๆดังนั้นถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เป็นมงคลเพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งห้าประการ ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือฟังด้วยศีลฟังด้วยสมาธิแล้วจะได้ผลอย่างในสมัยพระพุทธการตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวัคคีย์พระปัญจญวัคคีย์นี้เป็นผู้ที่เป็นนัก บ, บวชมีศีลบริสุทธิ์นั่งสมาธิได้ฌานแล้ว จิตสงบนิ่งตั้งมั่นไม่คิดปรุงแต่งพอพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมอันประเสริฐคือแสงสแสดงพระอริยรรสัจสีแสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาให้แก่พระปัญจวัคคีฟังพอฟังจบแล้วหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรม บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมานี่คือนี่คือประโยชน์ที่ผู้รับจะได้รับหากทำที่ผู้ที่แสดงเป็นธรรมแท้เป็นธ ร, รรมที่เกิดจากการปฏิบัติผู้ฟังก็ฟังด้วยศีลด้วยสมาธิก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิเกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดการบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ อย่างง่ายดายสมัยยุคแรกๆสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคําสอนพระพุทธเจ้าจึงสรงล่วงไปสอนคนที่มีศีลมีสมาธิก่อนเพราะคนพวกนี้พร้อมที่จะรับธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงและพร้อมที่จะบรรลุธรรมพร้อมที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ช่วงแรกๆจึงโกรธแต่พวกนักบวชตามสำนักต่างๆพอแสดงธรรมแต่ละครั้งนีจะมีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจานวนมากแสดงธรรมให้กับนักบวชห้าร้อคนพอหลังจากเสร็จจากการแสดงธรรมนักบวชทั้งห้าร้อยคนก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เลยนี่แหละคือมองคลอย่างยิ่ง สำหรับการฟังเทศฟังธรรมพวกเราสมัยนี้ยังไม่มีศีลที่บ่อยสุดกันยังไม่มีสมาธิที่ตั้งมั่นกันเราฟังธรรมจึงยังไม่ค่อยได้บรรลุธรรมกันแต่อย่างน้อยเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำอะไรที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน หรือเคยได้ยินแล้วถ้ามาฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นทำที่พวกเราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันก็คือจิตใจนี่เองเราไม่ค่อยรู้จักจิตใจของเราเรารู้เองแต่ร่างกายของเราแล้วเราก็รู้แบบไม่ถูกรู้แบบผิดรู้แบบมิจฉาทิฏฐิไม่ได้รู้ด้วยสัมมาทิฏฐิ เพราะเราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดไม่เป็นความจริงเหมือนคนสมัยโบราณที่เห็นโลกนี้แบนอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดเพราะโลกนี้ไม่แบนแต่คนโบราณเขามองไปเขาก็เห็นว่ามันลาบเรียบทะเลมันก็ลาบเรียบ ถ้าออกไปสุดขอบทะเลเดี๋ยวก็จะตกออกจากโลกนี้ไปเขาเลยไม่กล้านั่งเรือออกไปไกล ๆ, ๆเพราะเขาคิดว่าโลกนี้แบนแต่มีคนฉลาดบางคนเขาเริ่มเปรียบเทียบดูพิจารณาดูเขาก็เห็นว่ามันไม่แบนมันกลมเพราะว่าเวลาที่เรือที่อยู่ในทะเล วิ่งเข้ามาชายฝั่งจะเห็นเสากระโดงก่อนจะเห็นส่วนที่สูงของเรือก่อนจะไม่เห็นทีเดียวพร้อมๆกันหมดก็แสดงว่าพื้นที่เรือนั้นมันโค้ง ม, มันเว้าถ้ามันแบนมันก็ต้องเห็นพร้อมกันหมดเห็นเสาเรือเห็นตัวเรือเหมือนคนที่ขี่มา้าข้ามเขามาเวลา คนขี่ม้าข้ามเขามาถ้าเราอยู่ฝั่งนี้ของเขาเราจะไม่เห็นคนขี่ก่อนเราจะเห็นธงที่เขาปักถือมาก่อนแล้วค่อยเห็นตัวคนขี่แล้วค่อยเห็นตัวมา้าก็เพราะว่าพื้นที่ที่เขาขี่มานี้มันไม่เรียบมันไม่แบนมันละมันโคกเว้ามันกรงนั่นเอง คนฉลาดเขาเลยสามารถพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันกลมโลกนี้ไม่แบนจึงทำให้คนกล้านั่งเรือออกไปไกลๆจึงทำให้ได้ไปคบกับเกาะใหม่คบกับเมืองใหม่พบกับทวีปใหม่สามารถนั่งเรือไปทางเดียวแล้วอ้อมกลับมาที่เดิมได้เพราะโลกมันกลม นี่คือตัวอย่างของความเห็นผิดกับความเห็นถูกอย่างพวกเราตอนนี้ก็มีความเห็นผิดเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะเราไม่เคยเห็นตัวเราที่แท้จริงตัวเราที่แท้จริงคือใจจิตใจแต่เรามองไม่เห็นจิตใจเพราะว่าจิตใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายนี่เอง เวลาเราเกิดมาเราออกมากับร่างกายเราเห็นร่างกายเราก็เลยคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะเราสามารถสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆตามที่เราสั่งได้เราก็เลยคิดว่าคนสั่งกับคนรับคำสั่งนี้เป็นคนเดียวกันคิดว่าผู้สั่งคือความคิดคือจิตใจ เป็นร่างกายเพราะอยู่ที่เดียวกันทำอะไรทำพร้อมกันเหมือนน้ำที่อยู่ในขวดน้ำถ้าเราไม่เทออกมาเราก็อาจจะไปคิดว่าน้ำกับขวดน้ำนี้เป็นอันเดียวกันก็ได้แต่ถ้าเราเทน้ำออกจากขวดเราก็จะเห็นว่าน้ำนี้เป็นอย่างหนึ่งขวดเป็นอย่างหนึ่งฉันใดจิตใจของพวกเรานี้ ก็ไม่ได้เป็นร่างกายแต่ตอนนี้มันมารวมกันเหมือนน้ําในขวดน้ําก็เลยทําให้คิดว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่พระพุทธเจ้านี้ท่านสามารถพิสูจน์ได้ด้วยว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นจิตใจจิตใจกับร่างกายนี้เป็นคนละอย่างกันคนละส่วนกันพระพระองค์ สามารถแยกร่างกายแยกใจออกจากร่างกายได้ด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาเหมือนกับที่เราแยกน้ำออกจากขวดน้ำถ้าเราเทน้ำใส่แก้วเราก็จะรู้วอ่าอน้ำกับขวดนี่มันเป็นคนละส่วนกันคนละอย่างกันถ้าเรานั่งสมาธิได้ถ้าจิตใจเราสงบ รวมเป็นหนึ่งได้จิตใจของเราก็จะแยกออกจากร่างกายจะทําให้เราเห็นว่าผู้รู้ผู้คิดนี้กับร่างกายเป็นคนละส่วนกันพอรู้แล้วทีนี้ก็จะได้เกิดความเข้าใจว่าทําไมถึงมีนรกทําไมถึงมีสวรรค์ทําไมถึงมีการทําบุญทําไมถึงมีการทําบาปเพราะผู้ที่ ทำบุญทำบาปและผู้ที่รับผลบุญผลบาปนี้ก็คือใจนี้เองไม่ใช่ร่างกายแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันเราก็จะคิดว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วทุกอย่างก็จบน่างกายตายไปเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปเอาไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไป แล้วใครจะเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปใครจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกกันเมื่อสิ่งที่ทำคือร่างกายผู้ที่ทำคือร่างกายผู้ที่ทำบุญก็คือร่างกายผู้ที่ทำบาปก็คือร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปอันนี้ถ้าเราไม่รู้เรื่องของจิตใจ เราก็จะคิดว่าตายแล้วสูงตายแล้วก็จดนะสวรรค์นี้ไม่มีนรกไม่มีเพราะเขาสามารถส่งจรวดขึ้นไปสำรวจในอวกาศเขาก็ไม่เห็นนรกไม่เจอสวรรค์นบนบนในอวกาศส่งเรือดำน้ำลึเจาะมีเครื่องเจาะลงไปในดินก็ไม่เจอนรกเจอแต่น้ามัน ก็เลยทำให้เขาไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะเขาไม่รู้ว่าคำว่านรกแนละสวรรค์นี้คืออะไรความจริงนรกหรือสวรรค์นี้ก็คือความรู้สึกในใจของเรานี่แหล ะ, ะเวลาเราทำบุญใจเราเย็นใจเรามีความสุขอันนี้แหละเรียกว่าสวรรค์เวลาเราทำบาปใจเราร้อนใจเราทุกข์นี่แหละคือ นรก น, ะนรกไม่ได้เป็นสวรรค์ไม่ได้เป็นพื้นที่สถานที่แต่แต่ความรู้สึกภายในจิตใจของเราเวลาเราทำบุญใจเราจะเย็ยนใจเราจะสงบใจเราจะมีความสุขอันนี้เรียกว่าสวรรค์แล้วเวลาเราทำบาปใจเราจะร้อนใจเราจะทุกข์ใจเราจะวุ่นวายอันนี้เรียกว่านารก เวลาที่ร่างกายตายไปใจไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างไม่มีร่างกายเหมือนร่างกายใจก็เลยยังอยู่ต่อแลวก็รับผลบุญผลบาป ท, ทำบุญใจก็จะเย็นก็เรียกว่าไปสวรรค์ทำบาปใจร้อนก็เรียกว่าไปอาบายไปนรกแล้วพอใจหายร้อนหายเย็น ใจก็จะกลับมาเกิดใหม่มาได้ร่างกายอันใหม่แล้วก็มาแก่มาเจ็บมาตายใหม่มาทําบุญทําบาปใหม่นี่แหละคือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดการไปสวรรค์การไปนรกการทําบุญการทําบาปเกิดจากการเจิดจากการที่มีดวงจิตดวงใจนี่แหละ ใจนี่แหละเป็นผู้กระทาร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้ผู้ทําตามคําสั่งร่างกายเลยไม่ได้ไปรับผลแต่อย่างใดเวลาทําบุญร่างกายก็ไม่ได้มีความสุขแต่อย่างใดผู้ที่มีความสุขก็คือใจเวลาทําบาปร่างกายก็ไม่ทุกข์ผู้ที่ทุกข์ก็คือใจร่างกายนี่จะสุขจะทุกข์ก็อยู่ที่ มีข้าวกินแล้วไม่มีข้าวกินเท่านั้นเองเวลาไม่มีข้าวกินก็ทุกเวลามีข้าวกินก็สุขความสุขความทุกข์ของร่างกายอยู่ที่ปัจจัยสถ้ามีปัจจัยสี่ครอบบริบูรณ์มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคร่างกายก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าร่างกายขาดอาหารขาด เครื่องนุ่งหง่มขาดที่อยู่อาศัยขาดยารักษาโรคร่างกายก็จะทุกข์แต่ใจนี้ไม่ได้ทุกข์ไปกับร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายถึงแม้ว่าร่างกายจะอดตายใจก็ไม่ทุกข์ใจก็ไม่ได้อดแต่ใจที่ยังไม่รู้ว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันจะทุกข์กับร่างกาย ก็คิดว่าใจเป็นร่างกายเวลาร่างกายขาดอาหารก็ทุกไปกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกไปกับร่างกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายแต่สำหรับพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่รู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละคนกันเวลาร่างกายหิวพระพุทธเจ้าไม่หิวไปกับร่างกาย ไม่ได้ทุกข์ไปกับความหิวของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บก็ไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายเพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละคนกันนั่นเองเหมือนกับเพื่อนเราหิวข้าวแต่เราไม่ได้เรากินข้าวอิ่มเราจะไปหิวกับเพื่อนทําไมเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ขาดอาหารเหมือนกับเพื่อนของเราที่ขาด ใจของพระพุทธเจ้าก็เป็นใจที่อิ่มใจที่มีธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจจึงทำให้ท่านไม่เดือดร้อนกับความหิวของร่างกายไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายเพราะท่านรู้ว่าท่านไม่ได้เป็นร่างกายนั่นเองแต่พวกเรานี้ยังไม่รู้ พวกเราเยังคิดว่าเราเป็นร่างกายกันอยู่เวลาร่างกายหิวเราก็ทุกไปกับความหิวเวลาร่างกายเจ็บเราก็ทุกไปกับความเจ็บเวลาร่างกายตายเราก็ทุกกับความตายของร่างกายทั้งๆที่เราไม่ได้หิวเราไม่ได้เจ็บเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เพราะว่าเราไม่รู้เราไม่ได้เคยฟังเทศฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติ ไม่เคยแยกร่างกายกับใจให้ออกจากกันเราก็เลยคิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนเดียวกันร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นไปกับร่างกายแต่ถ้าเราสามารถมาปฏิบัตินั่งสมาธิแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละส่วนกัน ร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวกับใจวิธีรักษาร่างกายก็รักษาไปตามมีตามเกิดรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่ใจเราไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายเพราะเราใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองให้รู้เฉยๆให้คิดว่าร่างกายกับใจเป็นคนละคนกัน แล้วใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องที่เกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่ทุกข์กับความหิวของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้แน่ปวยของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย <ed> ส่วนใจเองก็จะรู <ed> ้ว่าอะไรทำให้ใจสุขอะไรทำให้ใจทุกข์ก็จะทาแต่สิ่งที่ทำให้ใจสุขแล้วก็ละเว้นสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ สิ่งที่ทำให้ใจสุขก็คือทำบุญทำความดีต่างๆอย่างที่พวกเรามาทำกันในวันนี้เรากำลังทำาให้ใจของเรามีความสุขแล้วนะเราก็มาถือศีลมารักษาศีลมาละเว้นการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปจะทำให้ใจเราทุกข์ทาให้ใจเราร้อนนั่นเองแล้วนะถ้าเราไม่อยากจะกลับมามีร่างกายอีกต่อไปไม่อยากจะต้องมาทุกข์ มาต้องมาเลี้ยงดูร่างกายมาแก่มาเจ็บมาตายกับร่างกายเราก็ต้องหยุดเหตุที่ทำให้เรามาเกิดกันเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดก็คือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่เองคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆถ้าเราอยากจะไม่กลับมาเกิดถ้าเราอยากจะไม่ต้องมามีร่างกาย เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาแล้วเราจะมีเครื่องมือเราจะมีกำลังที่จะสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงหยุดความอยากต่างๆได้พอเราหยุดความอยากได้หยุดความโลภได้เราก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะไม่รู้จะมีร่างกายไปทำไม เมื่อเราไม่มีความอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นเราก็ไม่ต้องมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปเพราะเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยการอยู่เฉยๆด้วยการทำใจให้นิ่งทำใจให้สงบเพราะเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้จริง เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเองนี่แหละคือเหตุสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไม่กลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะท่านมีความสุขจากความสงบท่านเลยไม่ต้องมีร่างกายมาหาความสุข จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองพวกเราตอนนี้ยังมีความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆถ้าเราไม่หยุดเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดอีกถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมมาทำความเห็นให้ถูกต้องให้รู้ว่า เหตุที่ทำให้เรากลับมาเกิดก็คือความโลภความอยากต่างๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากเราจะไม่ทำตามความโลภความอยากได้เราต้องมีสมาธิเราต้องมีสติถ้าเรามีสติเราก็จะหยุดใจไม่ให้คิดหยุดใจไม่ให้อยากได้ถ้าเรามีปัญญา S <S <an> เราก็จะไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากพอเราไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากความอยากความโลภมันก็จะหมดกำลังไปพอมันไม่มีอยู่ในใจเราแล้วลมันก็ไม่มีอะไรมาผลักดันให้เรากลับมาเกิดมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเราก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระพุทธเจ้าอยู่แบบพระสาวก อยู่แบบไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่แบบไม่มีความอยากอยู่แบบไม่มีร่างกายอยู่แบบนิพพานคือนิพพานั่งบาลังสุขขังมีแต่บาลามสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือเรื่องของการมาฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลว่าเมื่อฟังแล้ว ก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติคือได้รับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ลุกพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนไห้ตายเกิดจึงขอให้ท่าน ม, นมาวัดบ่อยๆในวันพระในวันฟังเทศน์ฟังธรรมมาฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลจากการปฏิบัติ เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดิดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนใจและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจรนนิญแควค่าปลอดภัยจากทุกภัย อันตรายทั้งหลายทั you, ้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ